วิธีสวดสมรภาพและกรรมวาจาสวดสมรภาพาภิกษุทั้งหลายก็สงพึงสวดสมรูปพาสภิกษุณีเหล่านั้นอย่างนี้คือภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตกรรมวาจาว่า724แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้อยู่ครุครีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิตเลสในทางเสื่อมเสีย มีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันพวกเธอไม่สละเรื่องนั้นถ้าสงพร้อมกันแล้วเพิ่งสวดสรารพาศภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นยติแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้อยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเร็วซ้ำมีกิเิสศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดี มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันพวกเธอยังไม่สละเรื่องนั้นสงสวดสมรุภพาธภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมรุภพาธภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นแม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วยแม่เจ้ารูปนั้นพึงทักท้วงข้าพเจ้ากล่าวข้อความนี้แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้กากล่าวข้อความนี้แม้ครั้งที่สาพิกฤณีชื่อนี้และชื่อนี้ทรงสวดสมรภาพเพื่อให้สละเรื่องนั้นทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้จบย ต, ติต้องอบัตทุ ก, กฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังฆาทิเศษเมื่อเธอต้องอบัตสังฆาทิเศษอบัตทุกกฏที่ต้องเพราะยติ อาบัตทุลใจที่ต้องเพราะกรรมวาจาสองครั้งย่อมระ ง, งับไปสงพึงสวดสมรภาทภิกษุณีสองถึงสรูปคราวเดียวกันไม่พึงสวดสมรภาทภิกษุณีมากกว่านั้นคราวเดียวกันคำว่าแม้ภิกษุณีเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อ น, อนคำว่ายาวะตะติยกะคือต้องอาบัตเพราะสวดสมรภาทภจบสมครั้ง ไม่ใช่ต้องอาบัดพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุคำว่านิสรณีิยะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมูคําว่าสังคาธทเศษความว่าสำหรับอาบัดนั้นสงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังคาธทเศษ